ข้อความในพุทธวงต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า108เนี่ยนะกล่าวถึงข้อความที่เทวดาทั้งหลายพากันนอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย้อนทบทวนนิดหน่อยเนี่ยนะในหน้าห้าว่าพระศาสดาผู้สูงสุดในสัตว์ทั้งหลายผู้ยอดเยี่ยม ผู้นำพิเศษได้เป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วผู้มีพระอนุภาพมากมีบุ ญ, ญลักษณะนับร้อยทรงแสดงปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ในสมาคมนั้นพระชินะพุทธเจ้าผู้ศาสดาก็เหาะขึ้นไปในพื้นนภากาศพระเนรมิตรสิเนรุบันพทอันน่ารื่นรมเป็นที่จงกรมเทวดาในเหมือนโลกาธาตุก็นอบน้อมพระตถาคตในสำนักของพระชนะเจ้า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 คืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารจึงทรงเนรมิตที่จงกรมอันประดับด้วยรัตนะทั้งหมดสำเร็จลงด้วยดีพระองค์นั้นทรงแสดงยอดสิเนรุบันพศในหมื่นโลกธาตุเป็นประหนึ่งเสาซึ่งตั้งอยู่เรียงกันเป็นรัตนะจงกรมที่จงกรมอันสำเร็จด้วยรัตนะพระชินเจ้าทรงเนรมิตที่จงกรมเหลื่อมล้าหมื่นโลกธาตุ ทั้งสองพื้นที่เป็นทองทั้งหมดทั้งสองข้างของพื้นที่เนี่ยเป็นทองทั้งหมดณนะรัตนะ์จงกลมทรงเนร่มิดไพร ท, ทีทองล้วนปูด้วยแผ่นกระดานทองเวียนไปตามจันทร์คู่ทั้งสองข้างรัตนะ์จงกลมที่ทรงเนร่มิดเกลื่อนกลาดไปด้วยทรายแก้วมณีทรายแก้วมุกดาส่องแสงสว่างไปทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น ณนะที่จงกรมนั้นพระชนะสัมพุทธเจ้าจอมปราดผู้มีพระมหาปริศลักษณะสาสสองรุ่งโรดอยู่เสด็จจงกรมเหนือที่จงกรมเทวดาทั้งหมดมาประชุมกันโปรยดอกมณฐารพดอกปุมดอกปริฉัดอันเป็นทิพย์ลงณนะพื้นที่จงกรมมูเทพหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจหมอบลงนมัส ก, การเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเหล่าเทพชั้นนิมมานารดีเทพชั้นปรนิมิตวสวัสดีเห็นพระผู้นำโลกก็พากันดีใจมีจิตเบิกบานนาคสุบันหรือแม้กินนอนพร้อมทั้งเ ท, งทวดาคนทันมนุษย์และรากศพก็พากันชมพระองค์เหมือนชมจันที่ขึ้นโคจรในท้องนภากา มูเทพชั้นอาภัสระสุภกินหะชั้นเวหพัพละและชั้นอาการิถะพากันทรงผ้าขาวสะอาดยืนประคองอัญชลีปโปรยดอกมณฑารพ่าสีผสมจุนจันโบกผ้านพื้นอัมพรในครั้งนั้นเทพเหล่านั้นก็พากันแต่งอุทานว่าโอ้พระชินาเจ้าผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพระองค์เป็นพระศาสดาเป็นยอดเป็นธงเป็นหลัก เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นประทีปของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าเทวดาผู้มีมิทฉิริศในหมื่นโลกธาตุต่างยินดีร่าเริงบันเทิงใจพาการห้อมล้อมนำมัสการเทพบุตรเทพพทธทดาเลื่อมใสมีใจ ย, ยินดีก็พากันบูชาพระนาราสพะด้วยดอกไม้ห้าสีโอความน่าอัศจรรย์ในโลกไม่เคยมีหน้าคนลุกชูชัน ความอัศจรรย์หน้าขนลุกขนชันเช่นนี้เราไม่เคยเห็นเทวลาเหล่านั้นนั่งอยู่ในภพของตนของตนเห็นอัศจรรย์ในท้องฟ้าก็พากันยินดีร่าเริงใหญ่เทวดาที่อยู่ในอากาศอยู่ที่ภาคพื้นดินอาศัยอยู่ที่หญ้าและดาวประกายพรึกก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันประคองอัญเชลีนมัสการเหล่านาคที่อายุยืนมีบุญมีฤทธ์ก็พากันบันเทิงใจนมัสการ บูชาพระผู้สูงสุดในนรชนเพราะเห็นความอัศจรรย์ในท้องฟ้าสังคีตะทั้งหลายก็พากาันบรรเรงกลองหุ้มหนังทั้งหลายก็พากันประโคมในอัมพรณนาภาการเพราะเห็นความอัศจรรย์ในท้องฟ้าสังบรรเดาะและโมโหระทึกทั้งหลายก็พากันบรรเลงในกลางหาวเป่งอุทานว่าวันนี้อาการขนลุกขนชันที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นแล้วหนอ เราจะได้สำเร็จประโยชน์แน่แล้วเราได้ขณะกันแล้วเพราะได้ยินว่าพุทโธเ ท, ทพเหล่านั้นก็เกิดปีติขึ้นในทันทีต่างพากันยืนประคองอัญชลีกล่าวว่าพุทโธพุทโธมูเทพต่างๆในท้องฟ้าก็พากันประคองอัญชลีเปล่งเสียงเหึะเหะเสียงสาทุเสียงโหเอิบอึ้งลิงโลดใจ ขับกล่อมประสานเสียงบรรเลงปรบมือและฟอนรำพลางโปรยดอกมณฑารบห้าสีผสมด้วยจุนจันเปล่งวาจาว่าข้าแต่พระมหาวีระด้วยประกา ร, รายเล่าจากลกักษณะที่พระยุคลบาทของพระองค์ประดับด้วยธงวชิระธงประตากเครื่องแต่งพระองค์และขอช้างพระองค์ไม่มีผู้เสมอเหมือนในพระรู ป, ปกาย ไม่มีผู้เสมอเหมือนในพระธรรมกายคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์ทรงเสมอกับพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีผู้เสมอในการประกาศพระธรรมจักรกำลังพระยาช้างสิบตระกูลเป็นกำลังปกติในกำลังพระกายของพระองค์พระองค์ไม่มีผู้เสมอเหมือนด้วยกำลังพ่อวาริศในการประกาศพระธรรมจักรท่านทั้งหลายจงนมัสการพระผู้เข้าถึงพระคุณทุกอย่าง ผู้เข้าถึงพระพุทธคุณทุกอย่างผู้พรักพร้อมด้วยองคุณครบถ้วนผู้เป็นพระมหามุนีมีพระกรุณาเป็นนาถะที่พึ่งของสัตว์โลกพระองควรซึ่งการกราบพระองควรซึ่งการชมพระองควรซึ่งการไหวพระองควรแก่การสรนเสริญพระองควรแก่การนอบน้อมพระองควรแก่การบูชาทุกอย่าง ข้าแต่พระมหาวีระคนเหล่าใดเหล่าหนึ่งอันเขาควรไหว้ในโลกคนเหล่าใดควรแต่การไหว้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งคนเหล่านั้นทั้งหมดผู้เสมือนพระองค์ไม่มีเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคําที่เทวดาทั้งหลายพากันกล่าวนอบน้อมนมัสการบูชาสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งในอัตถกาธาน่าหนึ่งร้อยแปดที่กล่าวถึง คำยกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำโลกทรงเชี่ยวชาญในปาฏิหารสามคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารจึงทรงในร่มิตที่จงกรมอันสร้างสรรค์ด้วยรัตนะทั้งหมดสําเร็จลงด้วยดีปาฏิหารทั้งสามอย่างคืออิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารสามประการเหล่านี้ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชำนาญอย่างดีชำนาญในปาฏิหาริเหล่านั้นด้วยความชำนาญห้าประการคืออาวัชนะวสีความชำนาญนี่แปลเป็นภาษาบาลีว่าชำนาญหรือความชำนาญแปลว่าวสีวสีแปลว่าชานาญเนี่ยนะมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งอาวัชนะวสีสองสมาปัจชนะวสีสมอธิฐานวสีสี่วุฒฐานวสีแล้วก็ห้าปัจเจเวคณวสี ความชำนาญห้าประการนั้นข้อแรกที่บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนึกถึงฌานใดๆตามความปรารถนาะตามเวลาเวลาที่พระองค์ปรารถนาะเท่าที่พระองค์ปรารถนาะความเนื่นช้าในการนึกไม่มีเลยเหตุนั้นความที่พระองค์สามารถนึกได้เร็วเรียกว่าอาวัชนาวสีพระองค์จะนึกในปาฏิหาริย์เหล่าใดก็อย่างรวดเร็วเช่นจะนึกถึงอิทธิปาฏิหาริย์การเนื่นช้าในการนึกไม่มี จะนึกถึงอาเทสนาปาฏิหารก็นึกได้อย่างคล่องแคล่วจะนึกถึงอนุสาสนีปฏิหารก็นึกได้อย่างรวดเร็วนึกเมื่อใดก็ได้ตามเวลาที่พระองค์ปรารถนานึกได้เท่าที่พระองค์ปรารถนาไม่จํากัดเวลาว่างั้นไม่จํากัดว่าจะต้องระยะแค่ภายในสองนาทีสนาทีหรือนึกแล้วนึกอยู่แค่สองนาทีเป็นต้นทุกอย่างเป็นไปตามความปรารถนาหมดอันนี้เรียกว่าอาวัฒนะวสีชํานาญในการ นึกเนี่ยนะส่วนชำนาญในการดำรงอยู่ดำรงอยู่ในปาฏิหารเหล่านั้น่ะนะนะหรือดำรงอยู่ในฌานก็คือพระองค์เข้าฌานใดๆหรือเข้าปาฏิหารใดๆเนี่ยนะตามความปรารถนาตามเวลาเท่าที่พระองค์ปรารถนาความเนิ่นช้าในการเข้าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้สามารถในการเข้าฌานได้เร็วหรือสามารถในการแสดงปาฏิหารทุกอย่างได้อย่าง รวดเร็วแสดงทั้งอิทธิปาฏิหารได้อย่างรวดเร็วแสดงอาเทศนาปาฏิหารก็ไม่เนิ่นช้าเนี่ยนะก็แปลว่ารวดเร็วแล้วก็อนุสาสนีปาฏิหารของพระองค์ก็คล่องแคล่วมันก็เลยเรียกว่าพระองค์ผู้ชํานาญในปาฏิหารสามและชำนาญในการเข้าสมาบัติก็ได้เนะี่ยเพราะว่าผู้ที่จะ มีอิทธิปาฏิหาริย์อาเทสนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยนะบาทฐานคือการลำรงอยู่ในฌานหรือการเข้าฌานนั้นจะต้องคล่องแคล่วมากถ้าไม่คล่องแคล่วจริงๆก็อะไรนะแตงงวงเงียวกันน่ส่วนอธิษฐานนวสีนี่นะก็คือพระองค์ตั้งอยู่ในฌานได้ตลอดกาลนาน ตั้งได้เท่าที่พระองค์ปรารถนาจะตั้ ง, งหนึ่งนาทีสองนาทีสมชั่วโมงสิบชั่วโมงสงวันสาวันสีนส่วันพระองค์ก็ตั้งอยู่ได้ตามที่พระองค์ต้องการอันนี้คือความชํานาญในการอธิษฐานอธิษฐานนี่แปลว่าการดํารงมัน่ชนชํานาญในการดํารงมัน่นจะดํารงอยู่ขนาดไหนก็ได้ตามแต่อิสระนะตามแต่ความต้องการเพราะพระองค์เป็นอิสระเนี่ยนะอย่างที่สี่ความที่ทรงสามารถจากการออกจากฌานก็ออกได้เร็วเหมือนกันเนี่ยนะไม่ เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยอะไรนะหลับง่ายแต่ตื่นยากอ่ะ น, นี้แต่นี่ไม่ใช่ลักษณะว่าปุ๊บก็ตื่นได้เลยเหมือนกับว่าพระองค์เข้าฌานก็ฉา น, นั้นเข้าจะออกจากฌานเมื่อใดอย่างไรที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเวลาไหนก็ได้อันนี้คือความชํานาญของพระองค์ส่วนปัจเวกขณะยานวสีเนี่ยนะก็คือปัจเวกขณะชวาวะจิตทั้งหลายปัจเวกขณะชวนะจิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในลําดับต่อจากอาวชนะจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้น อาวัชนะวสีกับปัจเวกขณะวสีเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าอาวัชนะวสีเป็นมนโนทวาราวัชนะปัจเวกขณะวสีเนี่ยเป็นชนะเนี่ยนะก็วิธีเดียวกันนั่นแหละสะรุปว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวสีทั้งห้าเชื่อว่าทรงเป็นผู้ชำนาญด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นพระธรรมสัพระสังคีติกาจาร พระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ทําการสังขยานาชื่นชมยกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่วาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ชํานาญในปาฏิหารสามเนี่ยนะชำนาญในการนึกชํานาญในการเข้าชํานาญในการดํารงอยู่ชํานาญในการออกชํานาญในการพิจารณาในอิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารอิทธิปาฏิหารก็คือการแสดงฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหารก็คือการดักใจแล้วก็ อนุสาสนีปาฏิหารก็คือการตามโอวาทพร่ำสอนว่าสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสัตว์ทั้งหลายนี่มาขึ้นถึงวิธีที่พระพุทธเจ้าเนรมิตรัตนจงกรมก็กล่าวเป็นคาถาในการเนรมิตรัตนจงกรมที่จริงเราเรียนเรื่องรัตนจงกรมมามานานแล้วนะแต่ว่าวิธีการเนรมิตรนั้นยังไม่ได้กล่าวตามแนวอัตถกถาเลย พระอัตถกถาก็เลยยกข้อความจากบาลีว่าพระองค์นั้นทรงแสดงยอดเขาสิเนรุบรรพดเนี่ยนะยอดภูเขาเนี่ยในหมื่นโลกธาตุเป็นเหมือนเสาตั้งเรียงรายกันเป็นเ อ, เอาเสาเนี่ยมาตั้งเป็นเรียงกันเลยนะก็เหมือนกับว่าเสาเรียกี่หมื่นตน้นก็เสาหนึ่งหมื่นตน้นหมืน่นโลกธาตุนจะมีอ่าโลกธาตุภูเขาสิเนรุอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งซิเนรุมั้นก็เอาภูเขาซิเนรุเนี่ยมาเรียงกันเลยก็เท่ากับว่า เสาจงกรมเนี่ยมีหมื่นเสาอ่ะนะเสาที่โรงจงกรมเรานื้ภาพก็ึนึกถึงภาพทางด่วนอ่ะนะทางด่วนที่มีเสาเดียวอ่ะแล้วก็เอาเสาเสาเสามาเรียงกันเนี่ยต่อกันหมื่นเสาลักษณะเนี่ยแล้วก็อันนั้นอ่ะเรียกว่าข้างบนก็วางเป็นที่เดินอ่ะนะแต่ว่าสําเร็จด้วยแก้วด้วยทองทั้งหมดก็เลยเรียกว่ารัตนจงกรมรัตนสิบประการด้วยแก้วด้วยทองด้วยเงินด้วยของที่ดีมีค่าทุกชนิดเนี่ยนะ อันนี้แหละเรียกว่ารัตนจงกรมคือโรงจงกรมหรือสถานที่จงกรมที่สร้างด้วยรัตนะทั้งหลายเนี่ยนะด้วยรัตนะแก้วแว่นเงินทองเป็นต้นนั่นเองอธิบายว่าทำรรเพวะแปลว่าทรงทํำสินเนรุบรรพศในหมื่นจักรวาลให้เป็นเหมือนกับเสาตั้งอยู่เรียงรายเป็นระเบียบทรงทําให้เป็นดังเสาทองเนี่ยนะภูเขาสินเนรุก็เป็นเหมือนกับภูเขาทองแล้วมารียังกันแล้วก็เนระมิตรที่จงกรมเนี่ยตั้งอยู่บน อยอดเขาสิเนรุเหล่านั้นพระองค์ก็เนรมิตรเสร็จแล้วพ อ, องก็เดินจงกรมบนที่ทําจงกรมเหล่านั้นก็ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตรรัตนจงกรมเนรมิตรทําปลายข้างหนึ่งของรัตนจงกรมตั้งล้ําขอบปากจักรวาลด้านที่ตะวันออกสุดท้ายก็คือมันจะมีทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกใช่ไหมปลายที่จงกรมเนี่ยนะด้านตะวันออกก็สุดโน้นสุดสุดด้านที่ตะวันออกหมดเลยประมาณนัน ปลายอีกข้างหนึ่งก็ตั้งล้ําขอบปากจักรวาลด้านทิศ ต, ตะวันตกมันไม่ใช่เสมอกับเสาเปะนะเสมอเสมอกับเนี่ยแต่มันจะล้าไปหน่อยก็คือมันเลยไปนิดหนึ่งก็คือเลยหมื่นจักรวาลไปนั่นเองเลยหมื่นจักรวาลข้างละครึ่งจักรวาลก็ได้ยั้ไงก็เลยกล่าวว่าพระชินเจ้าทรงในรมัมยรัตนะจงกรมล้ําหมื่นโลกธาตุตัวจงกรมเป็นรัตนะพื้นที่ทั้งสองข้างเป็นทองทั้งหมดเนี่ยนะ พื้นคือที่เดินเนี่ยปกติแล้วท่าน <Good> <Food. S 2> ชื่อว่าเดินบนทรายเนี่ยเป็นที่เดินที่ดีที่สุดกว่างั้นที่เดินบนทรายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทรายหนาะเป็นสอกอะถ้าเดินนี้เมื่อยตายเแต่หมายความว่าที่เดินเป็นทรายระดับหนึ่งเ้า่พื้นที่ทรายแต่เป็นทรายแก้วท <ishing. S 2> รายทองทั้งหลายเนี่ยนะทรายเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมันต้องกลมดีนะไม่งั้นก็บาดเท้าอย่างแต่หมายควาว่าทรายที่ที่ดีที่ที่กลมแล้วก็ไม่บาดเท้าเนี่ยนะเป็นอย่างดีะ ตรงที่เดินน่ะนะส่วนข้างๆก็จะเป็นค้าๆกําแพงทองเนี่ยนะเป็นเหมือนกับกําแพงทองก็เลยบอกว่าพื้นทั้งสองข้างเป็นทองทั้งหมดแต่ก็ข้างบนนั้นเกลี่ยด้วยสายแก้วสายรัตนะคาําอธิบายเพิ่มเติมว่าพระชินะพุทธเจ้าชินะ เ, เนี่ยนะหรือพระชินะเจ้าเนี่ยชื่อว่าชินะเพราะพระองค์เนี่ยชนะข่าสึกคือกิเลสมานทั้งหลายเนี่ยนะข้าสึกคือความเศร้าหมองที่ปทุสราย ทำลายสภาพจิตที่อยู่ภายในบทว่าสัพพะสนนะมยาปัเสความว่าที่สองข้างของที่จงกรมที่ทรงไนรมิดนั้นน่ะมีพื้นที่อันเป็นขอบคันเป็นทองหน้าเรื่นรมอย่างยิ่งอธิบายว่าตรงกลางนี่เป็นแก้วมณีก็มีจันทันคู่จันทันก็คือที่วางบนถ้าใครนึกถึงทางด่วนหน้าก็ไม่ยากกันนะ ทางด่วนมันจะมีเสาใช่ไหมมีเสาตั้งขึ้นมามันก็จะมีไอ้ตัวที่ตั้งบนเสา อ, อีกครั้งเป็นเหมือนกับตัวพาดพาดเสร็จแล้วก็จะมีตัววางเรียกว่าเหมือนกับจันทร์ น, นี่มาวางวางเสร็จแล้วก็จะมีพื้นที่มีแค่กำแพงสองข้างตรงกลางก็เกลี่ยเป็นทรายรั ต, ตนะ์ทรายทองนั่นแหละที น, นี้พระผู้เจ้าถามว่าเอ๊ะพระองค์เป็นมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวบอกพุทธานุภาพเป็นอจินไตยเพะนั้นพระองค์เนี่ยอยู่ตรงนั้นเน่ยเหมือนกับที่จงกรมธรรมดาทั้งนั้นเองเพราะว่าพุทธานุภาพสามารถที่จะแสดงให้ ปรากฏเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่ารู้ว่าการทำปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าการเนรมิตทุกอย่างของพระองค์ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่ อ, อยังสัตทินรีของสัตว์ทั้งหลายให้เกิดเพื่อกำจัดความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเพื่อทำให้เกิดความเพียรเพื่อกำจัดความเกียรคร้านทำให้เกิดสติเพื่อกำจัดความประมาททาให้เกิดสมาธิเพื่อกาจัดความฟุ้งซ่านทาให้เกิดปัญญาเพื่อกาจัดความ โงเ่เขาการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นไปเพื่อกําจัดข่าศึกคือกิเลสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม ท, ทั้งหลายเพื่อเพิ่มพูนในการเจริญบุญกุศลแต่ไม่ใช่เป็นการแสดงโชว์จบแล้วโอ้พระองค์ดีเหลือเกินน่าอัศจรรย์แล้วก็จบเลยไม่มีอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แต่เป็นการแสดงเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์คือสัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์โดยประการใดๆโดยวิธีใดๆพระองค์ก็จะแสดง วิธีการเหล่านั้นถ้าเขาจะบรรลุโดยการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่เรากําลังพูดอยู่นี้พระองค์ก็จะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ถ้าเขาจะบรรลุได้ด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์แสดงทำแบบดักใจแสดงไปดักใจไปพระองค์ก็จะแสดงแบบอาเทศนาปาฏิหาริย์ถ้าเขาจะบรรลุด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์พระองค์ก็จะแสดงโดยอนุภาอนุสาสนีปาฏิหาริย์อย่างพิสดารในขณะเดียวกันถ้าหากว่า เขาต้องการสํารวจตรวจตราดูพระพุทธลักษณะของพระองค์พระองค์ก็ให้เขาสํารวจตรวจตราในสรีระของพระองค์ได้แปลว่าเปิดเผยสรีระของพระองค์ให้เขาเห็นได้ทุกส่วนว่างั้นเถอะโดยที่สุดเรียกว่าพระองค์เปิดให้ดูได้แม้แต่อวัยวะเพศแต่ไม่ได้หมายคำว่าเปิดให้ดูเนี่ยเพียงว่าแสดงเงาให้ปรากฏวัตถุคุยหะที่ซ่อนอยู่ในฝกักว่างั้นกับแลบลิ้นแลบลิ้นให้เขาดูเลยอนนะเพื่อให้เขารู้ว่าพระองค์นี่เป็นผู้ที่ สมบูรณ์ด้วยพระพุทธลักษณะมหาปริศลักษณะจ ร, จริงๆไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นศรีระของพระองค์หลอกลว ง, งปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่พระนาคเษนกล่าวไว้ในมิลินทปัญหาว่าถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายจะบรรลุได้ด้วยการเห็นอกของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คงจะแหวอกอกให้เขาดูถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายจะตรัสรู้ได้ด้วยวิธีใดๆพระองค์ก็จะทําโดยวิธีการเหล่านั้นนั้นพระองค์นั้นจึงทําทุกอย่าง แต่การกระทําของพระองค์บอกว่านั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายพันสัตว์ทั้งหลายเข้าใจเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเขาเหล่านั้นจึงปฏิบัติบูบชาด้วยเขาเรียกว่าเสมอด้วยชีวิตนั่นแหละปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะเสมอด้วยชีวิตแต่การปฏิบัติเป็นพุทธบูชานั้นประโยชน์สําเร็จแก่พระพุทธเจ้าใช่ไหมประโยชน์จะไม่เกิดขึ้นโดยประการใดๆสําหรับพระองค์เลยเพราะว่าเราปฏิบัติตามคําสอนเท่าใดนั่นจะเป็นไปเพื่อ ประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายเท่านั้นเนี่ยนะพูดถึงพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์แสดงปาฏิหาริย์เนี่ยนะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยว่ารัตนจงกรมที่พระองค์ในรมิดเกลื่อนกลาดไปด้วยทรายแก้วมณีทรายแก้วมุกดาส่องสว่างไปทุกทิศเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นว่ารัตที่จงกรมเนี่ยนะมองเห็นเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าว่างันสวยสดงดงามมาก อธิบายว่าส่องสว่างกระจางตลอดทั่วทิศทั้งสิบเหมือนดวงอาทิตย์เป็นพันดวงส่องแสงสว่างขึ้นฉะนั้นบทว่าอุคโตะแปลอุทัยแล้วอธิบายว่าก็ดวงอาทิตย์เนี่ยนะพันแสงหรือว่ามีแสงออกมาเป็นช่อช่อเป็นพันช่อใครก็เห็นดวงอาทิตย์ส่องประกายใช่ไหมดวงอาทิตย์ส่องเหมือนกับเป็นช่อช่อชช่อชอพุ่งออกจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเจริญขึ้นหมายว่าโผล่ขึ้นมา 2, ส่องแสงสว่า ง, างช่อเป็นพันช่อ ขึ้นมาแล้วย่อมส่องแสงสว่างตลอดทั่วทิพย์ทั้งสิบชั้นใดที่จงกรมที่เป็นรัตนะทั้งหมดนี้ก็ส่องสว่างฉชนั้นเหมือนกันรัตนะจงกรมนี้เห็นแล้วก็มีรัศมีส้านออกมาจากตัวแต่ถ้ามองแบบพูดแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะแมน่าจะแทงตาโขเหมือนการแต่ว่านี้ไม่เนี่ยนะเป็นแสงที่ออกมาอ่อนๆที่เห็นแล้วก็สบายใจไม่ใช่แบบเห็นแล้วแม้พร่าตาพร่ต า, ตาลายไปหมดเลยนะไม่ใช่อย่างนั้น บัดนี้เมื่อที่จงกรมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะสร้างสําเร็จแล้วด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเพื่อจะแสดงความเป็นไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าบนสถานที่จงกรมว่าเมื่อพระองค์เนรมิตสถานที่จงกรมมีเสาหมื่นเสามีเสาหมื่นเสาเนี่ยนะสำเร็จด้วยทองคํากลางที่เดินจงกรมเนี่ยสำเร็จด้วยทรายแก้วมณีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไปทําอะไรบนนั้นบ้างภาังคีติกราจารย์ก็เลยกล่าวว่า พระชินะสัมพุทธเจ้าจอมปราดผู้ทรงพระมหาปริศลักษณะ32ประการเมื่อทรงรุ่งโรจนะที่จงกรมนั้นก็เสด็จจงกรมณนะที่จงกรมเหล่านั้นก็คือในระมิด ท, ที่จงกรมเสร็จแล้วพระองค์ก็รุ่งเรืองพระองค์นิสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการก็แสดงว่ากล่าวถึงอนุพยัญชนะและพระฉัพพันนารังสีที่แผ่ซ่านออกจาก เพราะวรกายของพระองค์พระองค์ก็เดินจงกรมบนสถานที่จงกรมอันนั้นเดินจงกรมก็คือการเดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะเทวดาทั้งหมดก็มาประชุมกันพากันโปรโยดอกมณทารพบดอกประทุมดอกปริชัตกะอันเป็นของทิพย์ลงเหนือที่จงกรมนะพระพุทธเจ้าเดินจงกรมเนี่ยนะเขาก็โปรโยดอกไม้กันโยนดอกไม้โปรโยนะ ถ้าพูดถึงเหมือนกับเรื่องงานสงกรานใช่ไหมงานสงกรานก็จะมีอะไรโปรยน้ําสาดน้ําออกไปใช่นี่ก็เหมือนกันก็โปรยดอกไม้นั้นเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกับร่วมกันโปรยเข้าตอกดอกไม้เป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าเราตอนนั้นได้ไปบูชาบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะก็มาได้ไปบูชาใน ต, ตอนนั้นก็อนุมโมทนากับเหล่าเทวดาทั้งหลายที่เขาได้ทําบูชากัน มู่เทพในหมื่นโลกธาตุพากันบันเทิงเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมีใจร่าเริงบันเทิงไม่มีใครเครียดเลยเนี่ยนะมีแต่คนทุกคนมีความสุขมีความโสมนัสพากันชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่างยินดีร่าเริงบันเทิงใจพากันชมนมน้มัสศการ ทุกคนมาร่วมกันมาประชมนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนมัสการก็คือมาจากนามะแปลว่านอบน้อมอาการก็แปลว่าพฤติกรรมการกระทําการกระทําความนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาพร้อมทั้งการสรรเสริมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะโอ้ใครได้เห็นอย่างนั้นจะอดไม่ไม่ชื่นชมเป็นไม่มีอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าทีโรเนี่ยนะ ที่โรเปล ว, ว่าพระผู้ประกอบด้วยทิติปัญญาเป็นปัญญาเครื่องทรงเอาไว้ปัญญาเครื่องทรงจําทวติงสระวรลัคนโนผู้ทรงประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการมีฝ่าพระบาทตั้งลงด้วยดีเป็นต้นนะนะในลักษณะสูตรทีคณิกายเนี่ยนะก็กล่าวไว้ถึงมหาปริศลักษณะทั้งหลายดอกไม้ของทิพย์เช่นดอกปริฉัตตกะดอกปริชัตตกะดอกปทุม ดอกมณฑารบเป็นต้นที่เทวดาเนี่ยมาโปรยปลายอธิบายเพิ่มเติมว่าดอกปริชตกะหมายความว่าต้นปริชตกะที่น่าชื่นชมยิ่งนักขณะร้อยโยอดโดยรอบบังเกิดเพราะผลบุญแห่งการถวายต้นทองหลางของถวยเทพชั้นดาวดึงคือเท้าส ก, กะเนี่ยนะในอดีตตอนที่สร้างศาลาให้ประชุมชนอาศัยก็ปลูกต้นทองหลาง เอาไว้ข้างศาลาให้ลมให้เงาให้ความสกสบายแต่คนเดินทางด้วยบุญอ น, นันเนี่ยนะก็สําเร็จเป็นต้นทองหลางในสวรรค์ชั้นดาวดึงต้นชองหลางที่สวยสดงดงามมีดอกช่อดงดงามเนี่ยนะก็เมื่อปาริฉัตกะต้นใดออกดอกบานแล้วทั่วทั้งเทพนครจะอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมเป็นอย่างดีียอว่าอบด้วยกลิ่นหอมมางั้น วิมานทองใหม่ทั้งหลายที่กลากเกลือนด้วยละองของดอกปริชัตะกะต้นนั้นจะปรากฏเป็นสีแดงเรื่อเรและดอกปริชัตะกะนี้ท่านก็เรียกว่าปริชัตะกะเพราะดอกดอกท้องหลังออกจะออกแดงๆหน่อยนะแดงเรื่อๆเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าแดงสดไปเลยอันนะีก็แดงเรื่อๆทั้งดอกสรุปว่าเอาดอกไม้เนี่ยนะดอกมณฑารบดอกปทุมดอกปริชัตะกะมาปโปรยลงที่รัตนะจงกลมนั้น บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกําลังเสด็จจงกรมณที่นั้นด้วยดอกไม้เหล่านั้นพวกเทวดาทั้งหลายพวกหมูเทพในหมื่นโลกธาตุต่างพากันยินดีร่าเริงบันเทิงอธิบายว่าเทวดาทั้งหลายบันเทิงแล้วชมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นยินดีร่าเริงบันเทิงใจแล้วก็พากันประชุมณที่นั้นๆเทวดาเข้ามาประชุมอย่างไรอธิบายว่าเพื่อแสดงถึงเหล่าเทพที่ ที่มาชมเนี่ยนะที่มาชมที่มาประชุมกันโดยสรุปพระธรรมสังฆหากาจารณ์กล่าวว่าเราเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีชั้นปารณิมมิตรวัสวดีมีจิตโสมนัสมีใจดีทุกคนเนี่ยโสมนัสหมดเลยทุกคนดีใจหมดเลยพากันชมพระผู้นำโลก น, นะพากันชื่นชมพระองค์ผู้นำโลก เหล่านาคสุบันและเหล่านิกรพร้อมทั้งเทพคนทันมนุษย์และรากสดพากันชมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลและอนุเคราะห์โลกพระองค์นั้นเหมือนอะไรเขาชมพระพุทธเจ้าเหมือนชมดวงจันทร์ซึ่งโคโจรณท้องนภาอากาศฉะนั้นกระวัดนั่งชมเหมือนคนชมจันทร์ว่างั้นนะชมพระพุทธเจ้าคือทำไมาจึงยกย่องว่าชมจันทร์เขาบอกว่าชมจันทร์เนี่ยจะไม่ระคายเคืองทางดวงตา เวลาดูดวงจันทร์ตอนกลางคืนเนี่ยนะคืนไหนพระจันทร์วันเพลนช่วงหัวค่าหน่อยพระจันทร์ที่ลอยเด่นขึ้นบนท้องฟ้าถ้านั่งรับลมอ่อนๆ น, นิดๆเนี่ยนะบอกว่าไม่ระคายเคืองทางตาเลยเนี่ยนะจะเห็นแล้วสบายใจเห็นแล้วเ อ, อิบอิ่มใจเขาก็เลยแบบอย่างอย่างคำที่ทั่วทั่วไปก็บอกว่าถ้าเห็นหน้าใครแล้วสบายใจเขบดูก่อน ผู้มีหน้าอันเจริญหมายว่าเห็นและสบายใจเขาบเหมือนเห็นเห็นดวงจันทร์เหมือนชมจันทร์เห็นพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นเห็นแล้วก็สบายใจเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เฝ้ามองดูะนะมองดูพระพุทธเจ้าอย่างมีความสุขทุกชั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหล่านาคครุฑหรือกินนอนคนทันมนุษย์รากสดเทวดาทุกชั้นเลยตั้งแต่จารุมดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานารดีปารณิ ม, มิตตาวสวัสดีโดยที่สุดแม้แต่พรม พรหมชันอภัสระสุภกินหาเวหภะภะละก็คือจริงๆก็นับตั้งแต่พรหมมัปริษัทษชาพรหมมัปรหิตามหาพรหมาปริตตสุภาอั ป, ปมานาสุภาสุภกินหาหรือว่าอั ป, ปมานาภาปริตตาภาอั ป, ปมานาภาอภัปปรสาราหรือว่าเวหภะลาตลอดจนถึงอวิหะอัตปาสุทธสาสุทธศีอากาิฐาพรหมเหล่านั้นครองผ้าขาวสะอาดเออพร่งนี่ใช้ผ้าขาวนะเทวดาใช้ผ้าสี พรเหล่านั้นก็พากันยืนประคองอัญเชลีโยกบะนมสิบนิ้วอันรุ่งเรืองบูชาพระพุทธเจ้าแล้วพรมเหล่านั้นก็พากันโปรยดอกมณฑารพห้าสีดอกไม้ห้าสีเราเบญจพรรณเนี่ยนะสีสวยผสมกับจุลจันทร์ก็เรียกว่าแป้งหอมกระห ว, ว่าดอกไม้สีสวยผสมแป้งหอมเนี่ยนะโบกผ้าทั้งหลายก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยโบกเหมือนโบกทงอะนะ ใครก็เห็นเขาดูกีฬาเล่นกีฬาดูกีฬ า, ลาแล้วเชียร์กีฬาแล้วโบกธงแต่นี้คนละอย่างกันนะโบอกอันนั้นด้วยอาคุศลแต่นี้โบกด้วยมหากุศลนี่คือความต่างกันแต่ก็ร่าเริงดีใจบันเทิงเหมือนกันน่ะนะณพื้นอัมพรอัมพรก็แปลว่าท้องฟ้าโบกภาพแปลงสว่างสวัยในท้องฟ้าครั้งนั้นต่างก็อุทานว่าโอ้พระชินเจ้าพระผู้ชนะมารทั้งหลายผู้ทรงเกื้อกูลและอนุเคราะห์โลก เทวดาทั้งหลายก็พากันดีใจร่าเริงนนะมีจิตเบิกบานด้วยอำนาจปีติและโสมนัสก็เป็นประเภทมหากุศลโสมนัสเนี่ยนะโสมนัสนทั้งหมดเพราะเป็นผู้มีจิตเบิกบานเพราะแต่ละคนเนี่ยสุมนามีใจดีดีใ้กันหมดเลยสุมนามีใจรีหรือดีใจนะี่แหละคนใจดีก็ทุกคนใจดีหมดเลยเนี่ยนะไม่มีใครดุใครเรียกราดอะไรทั้งหมดเพราะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ผู้อะไรผู้ทรงคุณธรรม บัณฑ์าเห็นพระพุทธเจ้าพูดส่งคุณธรรม ท, ทุกคนมีแต่ความสบายอกสบายใจเนี่ยนะทางเนื้มอมวนอกมวนใจขกันคือทุกคนไน้สบายอกสบายใจกันหมดเลยนะปราบเพิ่มปีติหมดเลย